เพื่อให้นำไปปฏิบัติให้มีเราร่วมในการฟังเราร่วมก็คือเห็นไม่ใช่คิดเห็นเห็นด้วย เรามีกายเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเราก็มีกายเรามีจิตใจเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเราก็มีจิตใจเรามีความหลงเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเราเคยมีความหลงมีสติเียนความหลงเป็นความไม่หลงเห็นด้วยไหมแต่เห็นด้วย ก็ทำตา ม, ถ, ามถ้าไม่หัดมันก็ไม่เป็นเพียงแต่เกิดความเห็นด้วยไม่มีการกระทำก็ไม่เกิดประโยชน์ใดนีดยเราก็มีวิชาการหลักฐานในการทำเรื่องนี้เรียกว่าวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานนี้ แต่เมื่อเกิดสาบัญชนคนธรรมาดาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระลหันถ้าถดาอ้ใดมีสติเปในกายเป็นปนระจําหนึ่งวันเกีดวันเป็นพระลหันได้ อย่างกลางหนึ่งเดือนทั้เกิดเดือนเป็นผลหารได้อย่างชาหนึ่งปีถังเกิดปีจะเป็นผลหารได้ได้ว่าเติมพัน์ไว้เหมือนกับเขายแขงเหลือแขงมาแขง กิฬาเขาเดิมพันไหวการเดิมพันไหวต้องได้แน่นอนต้องชนะแน่นอนต้องถึงแน่นอนมันมีอยู่กับเราหนี้นาะจำงั่นใจเราก็เดิมพันเมื่อมาเกิดไหลขึ้นดีไม่มีสติไปในกายล้วก็ มั่นใจก็จะรู้สึกตัวได้เห็นบันไดเป็นให้หลงเป็นหูนงไม่ความสามารถทำได้จิงที่โร้เจ้าแสดงวิชาการเป็นสิทีิธรรมได้ปฏิบัติได้ทุกชีวิตนี่คือมีเ่าร่วม มีการปฏิบัติตามไม่มีความขัดแยง้งเห็นด้วยนั่นอันเดียวกันแล้มีกายมีกายแล้วก็มีจริงจริงปัญหาเกิดกับกายเป็นทุกข์เป็นสุกก็มีจริงจริงหลายอาสองเข็นหลายอิกหลายจีอาสองขขยทุก น้อยใี่องข่ายหลงลอยใจส่องขยสุกเหมือนเชียงใหม่กายเป็นอะไรไอาศัยกายเพื่ออะไรถึงข่มันเจ็บก็เจ็บถึงข่มันหิวก็หิ ว, ท, ว, ท, ว, ท, ว, หว ท, ทุกข์ผู้ความเจ็บทุกข์ผู้วามจะทุกผู้ความหิวทุกข์ความทุกข์ยางไหนสุขความทุกข์ยางเอาตัวแล้วหรือไม่ มีความทุกข์เป็นเบอร์นหน้าแล้วหรือไม่เราจะไม่ก้าวหนีออกจากตรงนี้หรือวิธีปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ทำไมเราจึงมาอยู่ตรงนี้นี่ก็คือโจทย์คือจำเลยเราจำนนลอายอมสิ่งที่เกิดขึ้น ก, กับขึ้กับใจเรา มาเท่าไรานานเท่าไรถ้าจะสำรวจโดว์ามรู้ทัวกับความหลงตัวอะไรมันมากกว่ากัน <c oughs> ให้หลงเป็นหลงนานเท่าไรให้ทุกข์เป็นทุกข์าเท่าไรให้ความโกรธเป็นความโกรธนาเท่าไรเคยเปลี่ยนไหมเคยรู้จักตัวไหม อย่างนี้เราก็เห็นว่าอาจจะหลงาการู้วัตถุทำห้เกิดหลงก็มีจุจริงมีตามีหูจมูกเลี้ยงกายใจวัตถุภายในภายนอกรูปรสกลิกลกก่นเสียงหลงไปทางนี้ทางออกทางเข้ามาที่ไหนก็ต้อนรับตาเห็น ก็เคยเดาร่วงขึ้นมาเป็นสกขเพราะตาเป็นทุกข์เพราะตาพอใจไม่พอใจเพราะตาเห็นก็ไว้แบบนั้นนะคิดใจเคยเป็นทุกข์เพราะความคิดเคยเป็นสุขเพราะความคิดเหมือนจริงหรือไม่ความคิดเป็นตัวทุกข์ให้ความคิดเป็นความสุข มันมีจริงไหมความสุขที่เกิดจากความคิดความทุกข์ที่เกิดจากความคิดมีไหมเคยร้องไห้เสียใจเพราะความคิดเดี๋ยวนี้นั่งอยู่ที่นี่มีไหมไม่ยินไหมเห็นไหมได้คิดไหมได้ฝังหรือได้คิดไปที่อื่นในเวลาได้เอามือเคลื่อนไหวไปมาในโลกจึกตัว เห็นความคิดไหมมันมีเกิดขึ้นมาไหมสิ่งที่เรามาตั้งใจมันเคยใช้ก่ใช้ใจเรามันมาใช้แล้วว่าจะสร้างสติวันดันไปเป็นความคิดซะมีไหมเห็นด้วยไหมน่าจะศึกษามันก็มีเหตุอยู่แท้ๆเลย ได้เหตุใต้หลักใต้ฐานไต้ที่ตั้งได้วิธีการได้การมีการกระทำเกิดขึ้นเชื่อมั่นตัวเองไหมมือบางไว้บนเขานี่รู้สึกตัวไหมเชื่อตัวเองไหมยกมือขึ้นรู้สึกตัวเชื่อว่ามีสติอยู่ที่มือยกมือขึ้นรู้สึกตัวไหมมั่นใจไหมเราชิดเป็นลอยไปที่ไหนห้อยเขีนที่ใด ชีวิตห้อยไปเฉินได้กับอะไรบางทีมันมากถึงกับเป็นจริตสยัยชีวิตหลับใช้หลาข้าจริตหลับใช้โทสศจริตหลับใช้โมหจริตเราตกเป็นธาตุจริมนั้นเป็นทาตของความคิดเป็นขี้ข้าของความคิด เป็นขี้ข้าของความสุขเป็นขี้ข้าของความทุกข์เราน่าจะไม่อะไรที่มันเป็นความมั่นตรงนี้ขึ้นมาให้ว่าพุโทโธเปิดโธลองดสูสิเห็นลองดู แล้วได้เห็นได้มีภาวะที่รู้่งมันก็มีหลักแล้วนึกเห็นความหลงมันก็น่าจะมีหลักแล้วหรือปล่อยกันทิ้งตรงนี้ไม่ใส่ใจเฉยเฉยอยู่ได้ในความหลงเฉยอยู่ได้ในความทุกขจนจแสดงออกหน้าบูดห้าเบื้องบางคนก็ยังมาล่องไงให้ดู ในความคิดที่เอาอันอื่นมาเป็นเรื่องทุกข์มาใช่เรื่องเก็บเรื่องปวดก็มีนี่คือจะเห็นด้วยไหมในความทุกข์มันมีความไม่ทุกข์ในความหลงมันมีความไม่หลงมีผู้ไม่ทุกข์พบความทุกข์มีผู้ไม่หลงพบความหลง ในโลกนี้เราจะอยู่ในฐานะบุคคลเช่นใดไม่มีจิตมีใจไม่มีสติปัญญาพอจะมาต่อสู้เรื่งนี้ได้มีข่ออะไรชีวิตเราเนะ่ยำสอนก็ประกาศต้องๆ อ, อยู่เราก็มี สร้างวัดสร้างว่ากันทุกคนทำบุญตักบาดกันทุกคนในสัญชาติไทยมีศาสนาพุทธอยู่ในทิกเวียนบ้านน่าจะมีอยู่ที่กายที่ใจเราด้วยแล้วก็มองดูมันก็น่ากระตือรือร้นขึ้นมามาเห็นกายมาเห็นใจ จะให้มันเป็นอย่างไรกายนี้ใจนี้จะให้กลายเป็นไปเช่นไรจะให้ใจเป็นเช่นไรถ้าไม่ศึกษาถ้าไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดกับกายกับใจมันก็แก่เจ็บตายไม่มีประโยชน์ไอ้ใจนี้เหมือนแก่เหมันเจ็ บ, ม, บมันตายศึกษาลองดูมันจะแตกฉานที่ว่า สติปัญญาออกลูก่ลู่แจ้งตั้งแต่วิชาการที่การศึกษาทางโลกของแต่ฉาหนหลายสาขาวันนี้มาอยู่กับเราแท้ๆเห็นกันทุกคน เเราห ม, มนหลงรูล้ลองดูมันเกิดไรขึ้นเวามาทุกรู้สึกตัวลองดูมีพลังที่ทำให้เกิดความรู้โดยวิชากรรมฐานนึ่มีสติมันไม่แคบไปแคบไม่หนักไม่ได้แบกได้หั่งหับเรารู้สึกตัวเนี่ยสัมผัส ด, ดู หอมหลงสมผัส ด, ดูหอมทุกสมผัส ด, ดูความไม่ทุกสมผัส ด, ดูก่อนปุงแต่งหมกมุ่นสมผัส ด, ดูกับความหยุดปุงมีสติหาหาที่ตั้งทิ้งเงินลงหูวหยุดลองดู ความปรุงแต่งเหมือนการวิ่งกานจุดมันมีในความวิ่งเหมือนรถต่อรถนีเอ้ยแต่งมาให้มันวิ่งก็แต่งให้มันจุดถ้ามันวิ่งแล้วมันจุดไม่เป็นมันก็ใช่ไม่ได้บางคนตุนเงินข้าวทุกอย่าง ชีวิตของเราที่เป็นรูปเป็นนามเนี่ยเป็นกายเปนใจเนี่ยถ้ามีวิชากรมวิานเทาไปเห็นมันแตกฉานเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามเมื่อมันได้หลักเห็นเป็นรูปเป็นนนามมันแตกฉานได้เกี่ยวกับความสุขความทุกข์ง่ายขึ้น เหมนเรามีสูตรก็นิสร์มันมีสูตรก็จะอวกก็จะทำหนึ่งอะไรจะลบไปทำหนึ่งอไรให้เหลือศูนย์พุทธศาสนาในก็เป็นศาสตร์ตนางมั น, นมีตรงกันข้าม จุทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายกับใจไม่ใช่ของอย่างเดียวมีความเกิดมก็มีความไม่เกิดมีความเจ็มันก็มีความไม่แจ็มีความเจ็บก็มีความไม่เ จ, จ็บมีความตายก็มีความไม่ตายสู่ ใ, ใหญ่ใหตรงกันอย่างนี้ถ้าไม่ศึกษา มันก็เป็นใหญ่ก็ไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนเวลาความไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์เวลาความเป็นทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นทุกข์วเวลาความไม่ใช่ตัวตนที่มันจะแดง ความที่ความเป็นจริงก็เป็นทุกข์ยมรับจำนวนแทนที่จะฉลาดแทนที่ได้มีสปัญญาตรงนี้ลรลางกายเป็นความโง่ไปอะลรความหม่เที่ยงกับงโง่โง่ความหม่เที่ยง จะให้เหมือนเที่ยงเหมือนรถไฟมันจะออ ก, กสถานีก็ไปดึงรถไฟไว้เก็บตัวมันลากไปเฉอเขียนตายก็ามาเที่ยงลากไปเฉียนตายอาศัยเหมือนปึ่งล่มเงาในก้อนเมฆ ดูจากว่าก้อนเมฆมันไม่เที่ยงมันไหลยอยู่งั้นเราไปเสียงแด็ดอาจะไปเสียงแดดก้อนเมฆว่าบางซะมันก็มีอยู่ในโลกนี้แวลเาก็ เ, เมฆบางก็ล่มว่าไม่มีเสียงแดเ ด, ดงั้นดวงเทิตย์ ดวงจันทร์ก้อนเมฆบังไว้ก็ไม่มีแสงสว่างแต่ดวงจันทร์สว่างอยู่แต่ก้อนเมฆมันมาบังหมาถึงความเป็นจริงในความไม่เที่ยงมันก็ไม่ได้ไมไม่ได้ให้จะให้มันเที่ยง แล้ว่ามไม่เที่ยงให้เป็นของเที่ยงน่าจะฉลาดตรงนี้ถ้าฉลาดตรงนี้ก็ก็ได้ประโยชน์วุคคนผู้ฉลาดตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยทีเดียว เวลาอะไรที่มาเป็นทุกข์ให้ความเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ถ้าเขาเฉลอดตรงนี้ให้ความเป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับพระจริ์พ้นจากโลกก็เหมือน ดวงจันทร์พ้นจากเมฆเครื่องบินขึ้นจากสูงขึ้นจากก้อนเมฆถึงอุปกาศเมฆนอยู่ข้างล่างโด้นเครื่องบินอยู่สูงกว่านั้นมองขึ้นเครื่องบินมองลงมาเห็นก้อนเมฆกอนต่ำโน้น มันมีโลกในชีวิตจิตใจเราก็มีโลกแบบนี้น ว, ว่าเห็นมันสูงเห็นใจมันสูงสูงลัวความไม่เที่ยงสูงลัวความเป็นทุกข์สูงลัวความไม่ใช่ตัวตนโจนหลวงพ่เจ้าประกาศต้งต เมื่อบุคคลมองเห็นด้วยปัญญาว่าความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเบื่อหน่ายแต่ความไม่เที่ยงที่เคยหลงหน่ายมากในความไม่เที่ยงที่เคยทุกข์เคยสุกขเพราะความหลงนั่นแหละคือมรรคผลนิพพานเมื่อไดบุคคลมองเห็นด้วยปัญญาว่าความทุกข์ ย่อมเหมื่อยนายและสิงที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละคือมรรคผลนิพพานเราไม่แต่ว่าจะปากเห็นด้วยเห็นด้วยทำด้วยต่างเก่ามันรู้ตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ก็อดื่นก็ง่ายไปง่ายไปย่อมไม่เที่ยงกว่า ม, ม่นทุกข์ ความไม่ใช่ตัวตนมาอยู่ที่ไหนก็ออยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ไม่ใช่อยู่ที่อื่นกายใจของเราเนี่เป็นสูตรที่ทำให้เกิดมากเกิดผลไม่ใช่ศึกษาแบบทางโลกนะเราเที่ยงก็อยู่ที่กายนี่อยู่ที่ใจนี่เห็นกันอยู่ เอยร้องให้พระความไม่เที่ยงเอยร้องให้พระความเป็นทุกเคยร้องให้เสียใจพระความไม่ใช่ตัวตน <c oughs> นี่สมัลกับตรงกันข้ามไม่กลมไม่เที่ยงเป็นมากเป็นผลมีรสชาติมันดายอดโอชาแห่งโกรธ ลดพัฒน์เกิดทีน่นี้มันด่ายอดโอชาแห่งก๊อตโมริสโชตรงนี้หนุู่้เช่าผู้รู้ท่านเปรียบว่าเหมือนอดมแม่แม่บุญที่สมบูรณ์เกตน้อยตัวงากันเป็น นมมาเกันเป็นเนยนเหมือนพระเจ้าอาสูกอนมโอแม่อโณแม่โคที่สมบูรณ์เจ็ดอยตัวเมลอดต้นสีมหาภูที่คนโ อ, อยาไปฆ่าตาย มันก็งอกขึ้นมาอ น, นันก็ตามตำรามันเดาะยอดโอชาแห่งโกดรดคือรสพรษธรร ม, มง้อจำนี้บริสุทธิ์หน้าตื่เหมือนมันเาะยอดโอชาแห่งโกรดบริสุทธิ์ที่ความัยเที่ยงไม่เป็นตัวไม่เป็นอะไรเพราะขวามัยเที่ยงขวามัจรนเกิดที่นี่บริสุทธ มีรสชาติตัวเมื่เจนเกิดขึ้นดีมีความเป็นทุกข์บริสุทธิ์ในทุกข์ไม่เป็นทุกข์เป็นมากเป็นผลเสร็จแล้วนี่คือยึดของเราที่เป็นกายเป็นใจเมื่อพัฒนามันใช้ได้มันเป็นมากเป็นผลได้ประโยชน์จากความเป็นทุกข์ได้ประโยชน์จากความไม่เที่ยงแท้แต่ผู้ไม่ศึกษาผู้ดชนออกมาเป็นทุกข์ น่าจะด่าตัวเองบ้างเวลาเราปฏิบัติเห็นกันอยู่เมือสูดแล้วก็สูดกันอยู่เหมือนกับเห็นลอยเห็นไอได้ไออุ่นอยู่เว ล, า, ลาเราเปลี่ยนของหลงไปความรู้เหมือนกับพระพุทธเจ้าก็อยู่เฉพาะหน้านี้แล้วอยู่เฉพาะหน้านี้ ไม่อยู่ที่ไม่อยู่ไกลเลยคณธรรมมันเดียวกันสามภาแบบเดียวกันนั่นกับว่าถึงที่เดียวกันทางเช่นเดียวกันเดินคนเดียวไปคนเดียวทางเช่นเดียวถึงที่เดียวกันก็ย่อมรู้จับไม่ไม่เป็นไม่เป็นอื่น เห็ควาไมเที่ยงมีเหมือนกันในสามัญชนทุกคนถ้าศึกษาก็มีเห็นสามัญชนเปลี่ยนเป็นพระอรหันต์จากตัวนี้กันเห็นเหมือนกันสัมผัสได้เหมือนกันแน่นอนที่สุดมายืนรับใบลีระเจากักบวกกัดเอาอรกมาเป็นสูตรที่สวดมนต์อย่าให้เป็นภาษานกแก้วนกขนทอง เนจะทำอย่างไรเราจะให้เหมือนแก่เจ็บตายเฉยๆหรือกายเนี่ยได้ประโยชน์จากมันในความทุกข์ได้ประโยชน์หมอยในความหลงได้ประโยชน์ไหมย น, น่าจะศึกษาตรงนี้ลองดูเห็นกันอยู่ใส่แว่นใส่วิชากรรมฐานตื่นตา กายในขึ้นมาก็าโหนกายวปในี้เห็นจิตมิจติไปในกายเป็นประจอมเหมือนไม่หลงต่ออะไรที่เกิดขึ้นกับกายก็จะเห็นสิ่งที่ไม่ใช่สติตนั่นแหละจะได้เห็นเหมืนทุกอย่างทีม่มันเกิดขึ้นกับกายสิ่งที่ไม่ใช่สติที่เกิดขึ้นกับใจจะได้เห็นหมัอนทุกอย่าง สิ่งที่เกิดคือกิจใที่ไม่ใช่สติเปลี่ยนเป็นสติได้ทุกอย่างสิ่งที่เกิดคือ ก, กิจใจที่ไม่ใช่สติเปลี่ยนเป็นสติรู้สึกเลือกได้ในทุกอย่างบานนี่นะทํานะีจะปล่อยตัวยังทิ่งอยู่ยังไงมันไม่หนักเหงื่อไม่ไหลเป็นพระทางกิตใจเป็นพุทธทางกิตวิญญาณ ใไรอาจจะนุ่มกางแกงสวมเสือ้อลุกลุลงหลังแพ้คิดชชยมันเป็นฉิดทิเสมอภาพด้วยกันหมดตอนเดียวกันหมดถ้ามันหลงถ้ามันทุกข์ถ้ามันโกรธ้ามีแกเจเก็บตายไปทุกข์วมทุกข์นอนแหละงานของเงาไม่เกี่ยวกับรูปล่าง ลักษณะเพศวัยให้ถือว่าสิทธิของเราสิทธิของเราไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นมองอะไจะเป็นธรรมทั้งหมดเอาลบทั้งหมดเฮ้ยสอนคนอาจจะไม่ได้แต่สอนจนไหมช่วยจนไหมมันได้นะ เออทําไงล่ะวานนี้เห็นเพื่อนมาพ่าเพื่อนนั่งรถร่มกํแพงวัดจากป่ายยกขาป่าพงเป็นป่าไม้ทกคนไม้ที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเกิดขึ้นชนเลนชน สองลูกชายลูกสาวที่เกิดขึ้นมากำลังซ้อนตัวเป็นหนุ่มเป็นสาวผ่านมือเรามาเราเคยช่วยเวลามันเหี่ยวเราเคยให้น้ํมามันก็ชื่นขึ้นมาเวลมันเหี่ยวไปให้น้ํมามันก็ชื่นขึ้นมาเหมือนกับมันเขารถเราเรานั่งรถกลับไปขอบคุณหลวงตาขอบคุณหลวงตา เหมือนกับว่าอย่างนั้นมีความโศกแบบแบบบ้าๆบอๆฮะยังเตือนไม่เหมนงามก็แงอันสอนก็แ น, น่มันทุบุูลีบอกให้หยุดสูบมันก็ยังสู้อยู่มันโกรธยังโกรธกันบอกให้หยุดซะมนันยัโกรธกันอยู่ทะเลาะกันอยู่ สอนยา ก, ก็าสอนต้นไม้ช่วยคน่ช่วยอะ้รยากอนมีอะไรมากมายทิศิอวิชาปิดบังมันอยู่มืดอยู่ต้องช่วยกันอันช่วยต้นไม้มันก็มีประโยชน์ไม่มากมันก็ช่วยคนถ้าคนได้มีธรรมละ มันก็จรงประโยชน์มากง่ายหายอย่างี่เราจึงตั้งหลับขึ้นมามาสอนกันมาพูดกันมาชวนกันไม่ใช่สอนมาชวนให้ทำเหมือนกันในวิธีก็มีมีหลายหลายอย่าง คนปุ่งอาหารก็ปุ่งไปคนสร้างที่อยู่อาศัยก็สร้างไปแลดูแลอะไรที่จะคลาดเคลื่อนก็ทำไปเห็นไหยหมู่สังฆะมอมแ ม, ม่สร้างแท่งน้ำเพื่ออะไรเพื่อผู้ปฏิบัติธรรมทุกเท่าไรไม่ว่าพอให้ไม่ใช่ในเกิดใ้เกิดกลามตะวดวก ที่พยายามจนสุดกว้มสามารถเพื่อการนี้ทุ่มเทกันสู้ต่อกัน น, นี่คือคือเป็นสูตรเป็นหลักเป็นเดิมพันแน่นอนที่จุดคนที่หลงต้องไม่หลงเอามองอย่างนี้คนที่ทุกข์ต้องไม่ทุกข์ ที่มีปัญหาก็ย่อมเกิดปัญญาได้ทุกชีวิตมองแบบนี้เหมือนกับพูดอยู่เสมอว่าทั้งเสียงทุกเสียงที่คนพูดที่คนลงให้ที่คนหัวเราะเหมือนกับเสียงสวดมนต์รู้คนทุกค น, กคนจะเป็นพุทธิเจ้าได้มองอย่างนี้ อยู่ที่ไหนจะให้มีนิพพานอยู่ที่นั่นจะมองแบบนิ้งหมานจริงยิ่งใหญ่การมองคิดแบบนี้ไม่ได้เป็นสะดูหั้วรี่กับใครนอกจากคนเราเมดินไม่ถีห็ม่ดทายก็จะไม่เบียดเบียนทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่เบียดเบียนอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจ จึงกล้านั่งให้คนกลาบคนไหวกล้ารับสิ่งของที่เจ้าจฉมชาวบ้านมาถวายบางคนก็ถวายส่วนตัวหลวงพ่อเออแต่ว่าส่วนตัวนะ แ, แต่เท่ารถลูกไหนใจวะต้องเป็นส่วนหลวงก็มองอย่างไี้คิดอย่างนี้ไหนใจให้ส่วนตัวแต่มันเป็นส่วนรวง เราเจอบริสุทธิ์เพื่อการนนี้ไม่อายใครไม่อายใครไม่กินแหนงแข็งใจไม่ปกปิดซ่อนเล่นตัวความเท็จความจริงโจกคนฝันแต่มีใครเห็นด้วยยังม่ใครเห็นด้วยก็หมายว่าถ้าขอให้พูดไม่ใช่พูดเฉยๆฉยก็ไม่ เพมีมิตรที่ช่วยกันจะมาแก่มาเจ็บมาตายเฉยๆมันไม่ค่าอะไรสําหรับชีวิตเราเนา ะ, ะทำกรรมฐานนี่อ่าช่วยตัวเองให้ช่วยตัวเองให้ทำกรรมฐานนี่ให้ช่วยตัวเอง อันอื่นาจจะเป็นคนช่วยเหลือแต่รำมัฒนาทำมาตรฐานวิชากรมมถานให้ช่วยตัวเองเป็นเวลามาหลงช่วยตัวเองให้เป็นให้ไม่หลงแล้วมันทุกข์ช่วยตัวเองให้ไม่ทุกข์มีไหมเวลามันโกรธเทช่วยตัวเองให้ไม่โกรธมีเยอะแยะไว้ถามดูเยอะแยะไปหมดเลยพุ่งไปเลยนั่นแหละดีที่จุด เหมือนเราได้งานได้การเมื่อมีสติฟุ้งไปละคิดมากพออยู่เมืองกินก็จะดึงเมืองกินไปหนอยเอาความคิดมาถานความหมายชัตินละให้ช่วยตัวเองดวก่อนไม่มีใครสอนหลอยให้ถือว่าอย่างนั้นเวลาเราฝึกกรราฐานเราต้องช่วยตัวเองเกิดปัญหาขึ้นมา ก็ทิ้งไว้ก่อนมาสร้างสติก่อนคิดไหลขึ้นมาจากุลาธรรมเกิดไหลขึ้นมาจากุลาธรรมกรรมฐานกลับมาเช่นก่อนจากเพิ่งไปหาคำตอบจากความคิดเคยทำอย่างนี้อันนี้จานชงฉินก็เดินอยู่เถวนั่นเพื่อนก็อยู่เถวนั่นหลวงพ่อผมก็นอนอยู่ที่นั่นแต่เวลาเราปฏิบัติหลวงพ่อเทียนมาอยู่เลย ไปโน้นไปนี่ถ้าก็าอยากไปกับหลองข้อแต่ไม่มีเงินค่ารถทักบาทแต่หลองข้อไปไหนอะยากจะไปด้วยเงินที่จะไปตามหลองพ่อไม่มียอมจำนวนสู้ขึ้นมาเวลามันหลงในขณะที่อยู่คนเดียวไม่ยอมมัน นี่กรรมฐ า, า, า, า, านไปที่หายใสยทํากรรมฐานไว้ก่อนสิ่งที่เคยหลงเมื่อวานนี่มือนี่ไม่หลงแล้วสิ่งที่เคยสงสัยเมื่อวานสองวนันสามวานนันก่อนบัดนี่ไม่สงสัยแล้วนี่นกรรมฐ า, านเราอ๋อใช้การทําของเราเกิดขึ้นนะอะไรก็ตามเอรูจุกตัวกรรมทำคผมรู้จุดตัวรูจับหลับตรงนี้นะไม่จนแน่นอนไปได้ ให้จึงเรช่วยตัวเองอาจารย์ทำให้เราอะไรดีขึ้นเลยเราช่วยตัวเองต่างหาแต่ว่าอาจารย์ของเรานะ่ะเป็นคิดวิญญาณช่วยบอกช่วยสอนอะไรที่มันมีโอกาสไม่ใช่นั่งเฝ้านอนเฝ้าเหมือนพระเจ้าสมัยครั้งพระเจ้าพูดคำสองคำ วาสมก็ดีหนีกันไปเลยเธอจงเป็นพิษสู่มาเถิดตามไม่ไหนเราตัดไว้ดีแล้วเธอจงกับพิษตามทำไม่ไหนนั่นเถิดว่าเท่านี้ก็ไปกันเลยไปคนเราทิ่เราถามกันนี่เราอยู่ด้วยกันไอ้ชีก็อยู่นี่กระโมก็อยู่นี่ย่าโจมอยู่นี่นะน่าจะอุ่นใจอุ่นใจมาก ไม่ไปที่ไหนเวลากินข้าวตีล้วครั้งเป้งเป้งเป้งเป้งได้กินอิ่มอิ่มหมดฮะตีสีตีค้องหลังครองกว่าสเมตรพวกไอ้บุญทึมมืประกันมามารวมกันสูตรมนต์ส่อที่ใหญ่พวสูตรไม่ใช่มาล่องเพ่งกันฟัง อังสัมมาสัมุทโตบักวามาพุจจเจเป็นพรารหได้ยินไมน่ะมาตีหมาหลอกเขานะเกใจวันนี้เขาฟ้องกัน